ขอความเจริญในธรรมจะมีด่านผู้ฟังทั้งหลายเียงทาจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดถึงอายุสมะโอสัตย์เชนสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยพลังแห่งอิทธิบาทก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรุงพระชนมายุสังขารเกิดหมายความว่าเป็นปีสุดท้ายแห่งพุทธสมัยในขณะนั้นพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามาวันเมืองไพยสาลีเมื่อเสด็จออกไปบินทบาทแล้วก็เสด็จกลับมา ก็รับสั่งกับพระานนท์ว่าก็ให้ปูอัศนะรงจะไปยังปาวาลเจดีเพืพักกลางวันท่านฟังคงนึกออกนะว่าปาวาลเจดีนี่ก็คือสถานที่ที่พระเจ้าทรงปรงพระชุดมยุสังขารจงอธิษฐานพ ร, ระไทยว่า จากประนิพานต่อจากนั้นไปสามเดือนก็พระ น, น์ก็ถือผ้านิสีธาตตามเสด็จไปก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าพูะเจ้ากับพระอ น, นุลนั้นเป็นสาสชาติกันเกิดวันเดียวนเดียปีเดียวกันนะฮะ แต่ว่าพระนนิ์ไม่เคยผ่านงานหนักอย่างรุนแรงมาพระเจ้าเคยผ่านงานหนักตอนบำเพ็ญทุกรกริยาคือทรมานผทรกายก็ทำห้พระนนินมีอายุยืนถึงร้อยยี่สิบปีนะเวทีผ่านหลังพระเจ้าตั้งสี่สิบปี ก็มาถึงตัวนี้ก็ทำไม่นึกถึงพระราชบรัราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีคนขอให้ปรงดำรงพระชนอยู่สักร้อยยี่สิบปีโดยประวัติศาสตร์เนี่ยมีคนเป็นไปได้นะหรือพระอรหันต์นี่หลายท่านที่อายุร้อยี่สิปีพระมหากัตตปะก็ร้อยี่สิบ ปานนลก็ร2อยมีหลายรูปเพียอายุร2อยสแล้วก็พระสัพ ป, ปะมีก็ร0อยยสิแต่ที่สำคอย่างยิ่งคือพระพากุละนี่160สแต่ว่าการที่มีอายุยืนอย่างนั้นก็มีปัจจัยสองประการประการแรกก็คือภูเพกตะปุญญาตาบุญที่กระทำไว้ในการก่อน ซึ่งก็ไปเป็นบุญที่สุดเนื่อมาจากบุญหลักก็คือรักษาศีลข้อที่หนึ่งรักษาศีลห้าข้อที่หนึ่งมีเมตตาต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีการฆ่าไม่มีการเบียดเบียนสัตว์ไม่มีการตัดรอนชีวิตสัตว์แต่อันย่อที่สองนั้นเป็นเรื่องของการเจริญอิธิบาทภาวนาซึ่งพระพุทธเจ้าจะรับสั่งแสดงแก่พระ น, นุลเป็นระยะในโอกาสต่อไป พลันพระนนจึงตามเสด็จไปตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปที่ปาวาลเจนดีประทับนั่งบนอาสนะที่พระนนจัดถวายแล้วก็รับสั่งกับพระนนพระนครไพศาลีหรือเวสาลีนะได้ทราบพังวิทยุ วอาเวลาเนี่ยประเทศอินเดียเขาเปลี่ยนชื่อต่างๆของบ้านเมืองเนี่ยกลับไปสู่ยุคของพระพุทธเจ้าแล้วชื่อสถานที่บ้านเมืองเนี่ยของอินเดียมันเปลี่ยนอยู่สองยุคยุคที่ราชวงศ์มกุลเป็นใหญ่วกนี้นักถือาศาสนาอิสลามก็เข้ามาถึงก็เปลี่ยนชื่อบ้านชื่อเมืองเข้าไปถึงเยอะแยะไปเลย แล้วก็ช่วงที่สองก็คือตอนอังกฤษเข้ามาอังกฤษมันออกเสียงไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนชื่อหมดอย่างพารานาสีเนี่ยเป็นบันดเรตแล้วก็เปลี่ยนไปเงี้ยเวทิขาวว่าเปลี่ยนกลับกุสินาราก็เป็นกาเซียอะไรเนี่ยคือข่าที่ตัวเองออกเสียงไม่ได้ก็เลยเปลี่ยน เราก็ไปเรียนเสียงเรียนเสียงของของอังกฤษนะคล้ายๆกับประเทศพม่าเนี่ยจริงๆม่ไเรียกว่าเมียนมาแต่ไทยเราเรียกว่าพม่าเพราะเราออกเสียงยากอังกฤษจริงออกไม่ได้เลยกลายเป็นเบอร์มากระเบียงนี้เขากลับไปหาที่เมียนมา เวลาเราเรียกเราก็ยังเรียกพมาก่าเพราะเราก็ไม่คุ้นนะฮะกับการออกเสียงอย่างนั้นเลยเราก็ไม่รู้ว่าชื่อประเทศอะไรพระพุทธเจ้าก็ส่งประรบถึงความรื่นรมสวยงามของเมืองไพราลีแล้วก็ส่งยกตัว อ, อย่างเจดีอุเทนเจดีหน้ารื่นรมโคตมะเจดีหน้ารื่นรมสัตตมสัตตมพระเจดี น่ารื่นรมพระพุตะเจดีน่ารื่นรมสารัตรเจดีน่ารื่นรมภระวารเจดีน่ารื่นรมก็หมายควษษษามว่าสถานที่เหล่าเนี้ยล้วนแต่น่ารื่นรมเป็นการรับรองแบบสมตบญญตนะสมติบัญญัตินะครับสมมุติบัญญัตินั้นเขาน่ารื่นรมก็คือน้ารื่นรมเป็นโลกยะ คือสื่อสารด้วยภาษาที่เรียกว่าเป็นการมวจรภูมิหมรือพูดกันระดับภาษาชาวบ้านเนี่ยมันก็น่ารื่นรมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายนี้ท่านอยู่ที่ไหนมันก็น่ารด่นรมยทั้งนั้นนะฮะแม้แต่เกิดแห้งแล้งแม้แต่เกิดหนาวเหน็ดแม้แต่เกิดอากาศร้อนกัดหรือว่าหนาวหนาร้อนรอนะไรแต่ไรเนี่ยพระอรหันต์ท่านรด่นรมทั้งหมด ตรงนี้เป็นการแสดงแนวของโลกิยรมคืออารมโลกแล้วก็รับสั่งรับสั่งกับพระานนท์ว่าทุกคนานนท์อิทธิบาทสี่ประการท่านผู้ใดผู้หนึ่งได้เจริญแล้วทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจญานให้เป็นที่ตั้งมั่นคงแล้วสั่งสมแล้วประรบดีแล้ว พันธุนั้นหวังอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหนึ่งหรือเกินกว่ากับประการแรกคืออิทธิบาทอิทธิบาทถ้าเราแปลง่ายๆนะว่าแปลว่าทางแห่งความสาเร็จเส้นทางแห่งความสาเร็จทุกเรื่องนะไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็สาเร็จไปสูงสุดจนถึงบรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหานทั้งหลายนะ เวิาปฏิบตัติเวลาทันเรียกเต็มเนี่ยมันเราเอามาจากคำภีวิพังนะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในที่อื่นอันนี้เป็นพระสูตรแต่งอุทานก็มีปธิบาตอยู่เวลาเรียกเต็มเต็มเต็มที่เนี่ยเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิปัฏฐานะสังขารเราเห็นว่าฉันทะก็คือความพอใจสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นหนักแน่น ประธานะก็คือความเพียรนะฮะสังขารก็คือสิ่งที่ปรุงจิตหมายความกุศลและธรรมเหล่านี้เราสรุปแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของสัมมาสมาธิสัมมาวยายมะสมาสมาธินะฮะแล้วก็สมมาส ต, ติแต่ว่าในองค์ธรรมเนี่ย องค์ธรรมแต่ละข้อจะทรงใช้คำเหมือนกันข้อที่สองนั้นวิริยะแปลว่าความภาคเพียรพยายามความบากบันความกล้าหาญซึ่งก็หมายความว่าโดยเนื้อหาสาระก็คือสมมาวายมะเป็นความเพียรพยายามในการป้องกันบาปในการละบาปในการเพิ่มพูนกุศลในการรักษากุศล พูดง่ายๆว่าเพียรในการป้องกันในการบำบัดในการบำรบุงในการรักษาและจิตตะคือจิตใจที่จดจ่อมุ่ง ม, มั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเป็นอาการของสติและสมาธิหมายความว่าเป็นอาการของสมาสมาธิกับสมาสติแล้วก็วิมังสา เราสมใช้คำเหมือนกันนะฮะวิมังสาสมาธิปทานาสังขารก็เป็นธรรมะระดับปฏิบัติในส่วนของอิตสิกากับปัญญาสิกาเพราะโดยเนื้อหาสาระจริงๆเขาอยู่ในกลุ่มของผู้ติปกิยธรรม มายความมากรุงธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัตยรู้ธรรมต้มามะเคยสังเกตเคยติดตามประวัติของบุคคลในรายการสู้แล้วรวยนะฮะเราต้องการจะศึกษาว่าคนเหล่านี้เขาใช้ธรรมะอะไรเขาไม่รู้หรอกชื่อธรรมะเหล่านั้นเขาไม่ได้พูดหรอกแต่เราก็สรุปประเด็นว่าทุกคนเนี่ยประกอบด้วยอธิบาต ท, ทั้งสี่ประการ เร า, าอิบาะเมื่อเขาเกิดเนี่ยฉันทะเมื่อพอใจในกุศลเนี่ยไม่ใช่ว่านิ่งๆพอใจแต่ ว, ว่าผ่านการใช้วิมังสาคือใช้ปัญญาสอดส่องพินิจพิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบมันอย่างดีนะแยกแยะได้อย่างชัดเจนแล้วว่าอะไรควรพอใจหรือไม่ควรพอใจแล้วจึงใช้ความเพียรพยายามในลักษณะที่เป็นสมาวยามะ แล้วก็สมาสติจิตนะ ใ, ใจที่หยดจ่อเป็นอาการของสมาสติเห็นระลึกที่ต่อเ น, นื่องนะฮะมันก็เป็นอาการของสมาสมาชีอยู่ด้วยรู้วิมังสายเองเป็นสมาธิจิกับสมาธิังกับปัจเราเห็นชัดเจนว่าเป็นอริยมรรคครบผ้าคอในส่วนของกิตตสิกขากับปัญญาสิกขาเราถามมันส่วนสิณสิกขาละ่ะสิกขามัมีอยู่แล้วนะฮะ มีอยู่แล้วเป็นฐานอยู่แล้วเพราะงั้นก็ไม่ต้องพูดเพราะในโพติภิยธรรมสามทเจ็ดอย่างที่บอกไว้ว่าที่พูดถึงสีและสกขาเฉพาะในอริยมรรคยกแบบประการนอกนั้นจะไม่พูดถึงคือรู้กันโดยนัยารู้กันโดยนัยาว่าตรงนั้นแหละศีลมีอยู่แล้วเพราะในความเป็นศีลเนี่ยคือความสํารวมระหวังการไม่ร่วมกับเมือการวมรัดการงดเว้น ปกติกายปกติวาจาถ้ามีเจตนาแล้วมันก็เป็นศีเนี่ยคล้ายๆกับที่พระท่านมาฟังเอาพระไม่ดีเอาชาวบ้านดีกว่าชาวบ้านเนี่ยชัดชัดกว่านะก็คล้ายๆกับที่สุ ป, ปพุทธกุติไปฟังเทศในสำนักพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นสมาทานสีนั่นหหรอกแต่พอเข้าไปถึงในสำรวมใจเพื่อจะฟังธรรมะเนี่ย กายสงบวิจารสงบนะใจก็สงบอยู่กับกระแสของธรรมะตัวนั้นนี่ยมีเราจะเห็นสมาวยามะสมาสติสมาสมาธิสมาสธิสัมม า, ส, ม า, ส, ส, มาสังกปะมันเกิดไปตามกระแสของกุศลธรมรมที่สูงสแสดงอานะการของสมาวจาสมากัมมันตรสมาชีวะมันก็ปรากฏในขณะนั้นแหละ เพาะกายสงบวิญญสงบมันก็เป็นศีลต่อไปเข้าใจเริ่นสงบเรือกายก็เกิดปัญญาขึ้นนะก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาก็สมัยโบราณเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปจําแนกแยกแยะอะไรหรอกจำแนกแยกแ ย, กแยกะแแยแยมันก็แยกกันทีหลัง จ, จัดเป็นหมวดหมู่จัดเป็นองค์ธรรมขึ้นมาเนาก็จัดทีหลังแต่ประเด็นของการปฏิบัติเนี่ย อันนี้ข้อที่ควรกำหนดว่าถ้าทรงแสดงในลักษณะต่อนหนื่งแล้วก็ไปรับประกันที่ผลไว้อาการนี่จะชัดเจนมากเลยว่าต้องต้องเป็นอย่างนี้นะเช่นเช่นสมมติว่าทรงแสดงในเรื่องของสติปัฏฐานทั้งสี่ประการเนี่ย ทรงประกันผลนะฮะว่าถ้าคนอบรมกระทำไม่มากในสติปัฏฐานนั้สี่ประการเนี่ยแล้วก็มีความต่อเนื่องทรงรับประกันให้ว่าจะบรรลุมผลเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปียังมากเนี่ยไม่เกินเจ็ดชาติรับประกันผลแต่ ว, ว่าคนต้องรับผิดชอบในเหตุตัวนี้ก็ทรงแสดงในเชิงในเชิงเหตุ หมายความว่าถ้าอิธิบาททั้งสี่ข้อนะะอิบาททั้งสี่ข้อเนี่ยถ้าท่านผู้ใดได้เจริญแล้วทำให้มากแล้วแล้วก็กระทำให้เป็นดุจยานอันนี้บ่อยอบรมกระทำให้มากกระทำบ่อยกระทำให้เป็นดุจยานถ้าแนวสมถะวิปัสสนาจะส่งสอนในแนวนี้ ให้เป็นที่ตั้งมันคงแล้วสั่งสมแล้วประรบดีแล้วท่านผู้นั้นพึงหวังอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับหมายความว่าเหตุอกประการที่สองที่อายุยืนก็คือการเจริญอิทธิบาทอย่างต่อเ น, นื่องแต่พูดง่ายๆว่าเจริญไตรทิขานั่นแหละเจริญศีลสมาธิปัญญา แต่ว่าเป็นไตรสิกขาในระดับที่ใช้างานนะฮะคือมีอยู่แล้วมีอยู่สมบูรณ์ในตัวของบุคคลผู้นั้นแล้วก็นำมาเจริญกระทำบ่อยๆกระทำให้มากกระทำจนเป็นดุจยานเป็นเครื่องอาศัยได้ล้วตั้งความปรารถนาว่าจะมีอายุยืนสักร้อยยี่สแต่ว่ากลับในที่นี้ไม่ได้บอกว่าร้0ยยีส่สบคำว่ากลับนี่มันหลายเรื่องนะ คือกับอายุกับอายุนั้นหมายถึงอายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์ในแต่ละยุคเนี่ยเห็นว่ากลับในปัจจุบันมันก็ไม่เกินแปดสิบหรืออย่างมากก็เจ็ิห้าแต่เนี่ยอุดอายุเฉลี่ยของคนในแต่ละยุคสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยกับอายุจริงๆก็คือร้อยปีหมายความถ้าพระพุทธเจ้าตั้งพระทัยจะอยู่โดยการเจริญอิธิบาทเนี่ยก็จะอยู่ได้อีกยี่สิบปี แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ส่งสั่งสอนธรรมะไว้หมดแล้วคือจะทรงอยู่หรือไม่อยู่ธรรมะก็จะสอนอยู่ในแวดวงที่ได้สั่งสอนนั่นแหละตอนตอนเสด็จตรงตอนปรงประชนมยุสังขารที่พระนนทท่านไปขอ อ, อ้อนวอนพระพุทธเจ้าดํารงไปเช่นอยู่เนะี่ยสาเหตุเนี้ยเทวเจ้ารับสั่งแสดงตัวเนี้ยเป็นเหตุหนึ่งนะฮะเป็นเหตุหนึ่งแต่ว่า ข้อความปรากฏในมหาปฏิภาณในสูตรที่ตอนพระนลนไปทวงเนี่ยพรเจ้าก็ทรงแสดงว่าพระองค์ได้ทำนิมิตโอภาสเพืือให้นายะแก่พระนลนไว้รวมแล้วสิบหกครั้งด้วยวกันประรบสถานที่เแาเนี้สิบหกครั้งด้วยกันก็ในกรุงไผาลี กับพวกเกยดีทั้งหลายทั้งปาวเนี่ยแต่ว่าในพระสูตรนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกในลักษณะอย่างนั้ น, นก็บอกว่าเมื่อพระผู้มีพระเจ้าประทํานิมิตรอันแจ้งชัดกระทําอุภาษันแจ้งชัดถึงอย่างนี้ท่านพราณนลก็ไม่สามารถจะรู้ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าทําไมไม่รู้แต่ว่าใน พระบาลีอะตกถาทั้งทั้งที่จริงก็ทั้งตอนพลังกายนานะฮะตอนสังขยาแล้วก็ตอนหมาปีผ่านสูตรพระนรนทท่านบอกว่าท่านถูกมารดนใจคือทำให้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงที่จะทำท่านก็ไปสารภาพต่อประสังคิติการนะ์ณาเพราะว่าตอนสังขยาปฐมสังขยาในท่านถูกตําหนิ เราไม่อาราธนาให้ผู้เจ้าทรงพระชญอยู่ตลอดกับทีนี้ปัญหาที่น่าคิดเนี่ยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องให้มีคนอาราธนาเมื่อพระองค์สมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยประมากรุณ า, าแล้วก็สร้างบา ร, รมีมาเพื่อเป็นศาสดาโดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อเป็นการอุเครห์ต่อชาวโลกมันก็ดูแล้วแค่ๆกับไม่ไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมาราตนาที่มันเป็นเงื่อนไขนะฮะมันเป็นเงื่อนไขอิทีิวาอย่างตอนที่ศัตรูแล้วก็ประทับอยู่ที่อัจจปานิคโครธเนี่ยตอนประลบถึงธรรมะ ที่พระองศ์สัตรุก็คือไปกําหนดที่ตัวปฏิจจสมบาติหรืออริยสัจใหญ่นะปฏิจจสมบัตบิเนี่เป็นอริยสัจใหญ่ก็ทังเห็นว่าเป็นธรรมะที่ลึกบาลีใช้คําเหมือนกันทุกแข่งยังธรรมโมกัมพีโรคือลึกซึ้งดุเโสรู้ได้ยากดูรานุบโทรู้ตามได้ยากสันโตสงบปนิโตประณีต ัตกามาวัจโรไม่สามารถจะไปคัดเดาไปคิดได้วันิตาเวดนิโยคือคนที่เป็นบัณฑิตเท่านั้นจะสามารถรู้ได้ก็ทาให้พระบาลีท่านบอกว่าก็ทอาพระไถยที่จะสอนธรรมะแต่จากนั้นก็เกิดพระมาตุนาพร้อมด้วยพยานแล้วก็เป็นจังหวะที่สั ม, มดีพระมากราภูนรัตนาก็ผสมกัน สมายคำว่าทรงรับคํามาราธนาของสัมบดีพรมด้วยแล้วก็เป็นสถานภาพของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะการเป็นพระพุทธเจ้าจะสมบูรณ์ไม่ได้นะถ้ายัางไม่ประกาศธรรมแล้วก็มีพยานในการบรรลุธรรมเรนี่ยอะไรเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นถึงปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาซึ่งเป็นหลักพระพุทธคุณ ทีนี้กรุณามันต้องเกิดผลแก่คนอื่นไม่ใช่อยู่ภายในใจแล้วเรียวกว่กากรุณามันต้องคือกูลต่อบุคคลอื่นเป็นลุเคราะห์ต่อชาวโลกพ้นตอนที่พระโกนทัญญาบรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยพระเจ้าจึงส่งเปล่งประทานวัญญาสีวัตโพโกนั้นโยวัญญาสีวัตโพโกนัญโยโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญคนทัญญาได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริ ญ, น, ญ, ญ, ร น, น, รญนั่นก็หมายความว่า การเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ก็เรียกว่ามีพยานแต่จริงๆก็ยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าพุทธบริษัทยังไม่เกิดครบเพราะเวลาท่านยามพระพุทธเจ้าเนี่ยอราหารันตสมาตัรพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านที่ศัต ร, รดีศัต ร, รูชอบโดยปรุ่งเองแล้วก็สอนบุคคลอื่นให้ศัต ร, รูตามด้วยมันต้องมีสาวกระดับอราหารันต์นะถังจะเป็นอรหันต์เกิดขึ้น ความเป็นพระเจ้าความปรึ ง, งสมบูรณ์แล้วก็เกิดพุทธบริษัทครบทั้งสี่ประการเกิดมาแล้วอยู่ได้กี่ร้อยปีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเกิดแล้วความเป็นพระเจ้าก็าจะมีความสมบูรณ์พระองค์ก็ถรงรับอาราธนาของสา ม, มดีพร่มที่จะประดิสถานพระพุทธศาสนาทีนี้ต่อจากนั้น พญามารมากราบถูลนราตนาให้พระพุทธเจ้านิพพานน่ะมันทำไม่ได้นิพพานไม่ได้พอ ร, รับนิ้บบนตรมาจากคนสามมดีพรหมแล้วมันต้องอยู่แล้วเป็นสถานะของพระอต้องอยู่แต่เมื่อมารมาอราธนาให้นิพพานในขณะที่พรหมอาราธนาให้ทรงประชนดูพระพุทธเจ้าก็ต้องรับสั่งให้มารรอไปก่อน ภารกิจของโรงเสร็จก่อนนะคือจะทํางานหลักสี่ประการนี้เสร็จไปก่อนแล้วจะนิพพานนะะในประศุนนี้ก็ยกข้อความตรงนี้มาซึ่งว่าว่าการทำกัจริงแล้วเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าจะประกาศธรรมข้อความตรงนี้ที่จริงมันควรจะอยู่ที่มหาวัตอนะย่าพระวิ น, นัยปิฎกเล่มที่สี่นะพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ แล้วไม่ได้อยู่คือมาอยู่ที่ที่นันใกายกับมาอยู่ที่ประสุตเนี่ยนะพอควาเนี่ยมาอยู่ที่ประสูตรที่เราถือว่าเป็นพระพุทธปฏิธานของพระเจ้าในการประดิสถานพระพุทธศาสนาของพระองค์แม้แต่ตอนเกิดศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเราก็ค้นหาหลักตรเนี้นะะ หลกวลาพระพุทธเจ้ามีหลักการในการสืบสารพระพุทธศาสนาด้วยเจตนารมย์อย่างไรนะป้าหมายมีอที่ไหนเราก็ได้เจอสูตรในอกานิบาตอังคุตรนิกายเป็นการแสดงถึงสถานะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเอกบุคคลรับสั่งแสดงว่าภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อบังเกิดขึ้นในโลกจะบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ <m> เพื่ อ, อเกื้อกูลเพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อนุเคราะห์ต่อชาวโลกเรือประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะพระเอกบุคคลนั้นคือปราณตสมะสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาผนวกกับพระพุทธบนิธานสประการเนี่ยแต่ในตอนนี้บาลีตรงเนี้ยท่านท่านก็บอกว่าพระนุรไม่ได้กลับทุน ไม่ได้กราบทูลคำกราบทูลเนี่ยท่านบอกว่าพระนริไม่ได้กราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคก้าวทรงดำรงอยู่ตลอดกับเถิดขอพระสุคตทรงดำรงอยู่ตลอดกับเถิดเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอนเคราะห์ต่อสัตว์โลกเพือประโยชน์เพกกื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บอกว่าพระถูกมารดลใจเอาไว้วันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจนถึงครั้งที่สมนะพระนุนตุคุจจาก็รับสั่งเรื่องเนี้ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครสามก็ซ้ำๆสามครั้งแล้วก็พระนุนก็ไม่ได้กลับทุนพราะนั้นจึงรับสั่งรับสั่งย้ําในตอนครั้งที่สามว่า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 มาโดนใจอย่างกาลก็ในที่สุดก็รับสั่งให้พระนนทว่ารับสั่งกับพระนนทว่าลุกอนนท์เธอจงไปเถิดเธอสําคัญการนั้นควรในบัดนี้เถิดนี่ยันที่บอกว่าเป็นสานวนนะเป็นสานวนว่าใครต้องการอะไรจะทําอะไรเนี่ยก็จะทรงใช้คําในลักษณะนี้ทรงคำทรงเธอเธอสําคัญการอันควร ในวันนี้เถิะพระนนก็์ก็รับพระผู้มีประภาคลุกจากอัศนะถวายบังคมแล้วก็ทำประทักษินอันนี้เป็นรูปแบบนะเป็นรูปแบบเป็หเราจะเจอในพระบาลีเยอะมันเป็นวิธีปฏิบัติว่าเมื่อลุกจากอัศนะที่เรานั่งอยู่กับผู้ใหญ่เนะี่ย นั่งอยู่กับผู้ใหญ่เมื่อเสร็จภารกิจลูกษณะแล้วก็กลาบแต่ว่าก็เดินถอยหลังถอยหลังอาจจะถอยในขณะนั่งกระโยงหรือว่าถอยถลุกขึ้นยืนนล้วก็ถอยหลังไปหน่อยเนะี่ยประมาณสามเก้านะฮะแล้วก็กลับหลังถ้าท่านอยู่ในห้องเราก็กลับหลังตอนถึงประตู เือเปิดประตูแล้วก็กลับซึ่งบางทีนี่อาจจะกลับมายกมือไหว้อีกทีหนึ่งเป็นการแสดงความเคารพก็เป็นจารีดเป็นวิธีปฏิบัติแล้วก็สวยสวยงามนะฮะสวยงามโดยวันนี้เราคาดหวังอะไรขนาดนั้นได้ยากเพราะว่าคือกระแสของ โลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วแล้วคนเหล่านี้ก็เป็นผลิดผลของสังคมยุคใหม่นะนันก็ยังมีอยู่ในระดับพวกวัดกรรมฐานวัดป่าต่างๆก็มีแนวเนี้ยนะแต่ถ้าเป็นวัดในบ้านในเมืองก็ทำทำเหมือนเดิมแต่ก็ไอ้ประทักษิณเนนะ่ไม่มีมานานแล้วนะประทักษิณเพราะการเดินเวียนอย่างนั้น ไอสภาพไป็ล้อมบรรยากาศต่างๆงไม่ให้เราทำไม่ได้เราสถานที่นต่างกันแล้วก็ไม่ถึงก็เป็นธรรมเนียมอย่างนั้นแต่เราก็มาเวียนธรรมทักษิณพระเยดีนะพระเจ็นะจดีต้นโพพระพุทธรูปที่บรรจุปรรมสาริกธาตุเป็นต้นมาทำแล้วก็พระนนทธรรมทักษิณแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง ในที่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าพอปราณนลีไปเนี่ยมารผู้มีบาปก็ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนอยู่นะที่ควรส่วนครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่ามารเนี่ยมันเป็นแนวเดียวกับเทวดาเข้าเฝ้าในเข้าเฝ้าแนวเดียวกันคือไม่ถึงกับ ถวายบังคมนั่งกระโยงทำระหมอมจะเวียงบ่านั่งกระโยงประนมมือนะถวายบังคมหรือกราบลงเนี่ยไม่เลวเพราะว่าอย่าตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ทำขนาดนั้นแต่ว่าได้ยืนแล้วก็แล้วก็ทูลคือไม่ได้ถวายบังคมซึ่งก็การถวายบังคมเนี่เป็นเรื่องของความนับถือ เขาไม่นับถือก็ไม่จำเป็นนะไม่จาเป็นจะต้องไว้แล้วก็กลับทูลว่าคือการใช้คำว่าพันเตเนี่ยมันก็เ ร, แ ร, ร, แ ร, ร, แราแปลเราแปลเราแปลว่าแต่พระองค์ผู้เจริญนะครับแต่ความหมายของมันเองก็คงไม่ให้แปลอย่างนั้นนะเป็นภาษาที่เราสื่อสารคือคำว่าพันเตเนี่ย แต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการเป็นคำที่ผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่คําคำที่ผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่ก็เรียกว่าพันเตถ้าผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยก็เรียกว่าอุสก็สรุปว่าแกก็ยอมรับนับสือสถานะของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่กว่า แล้วบอกว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปนิพพานเถิดขอพระสุคตเจ้าสเสด็จไปนิพพานเถิดปัดนี้เป็นการปริควรไปรนิพพานของพระผู้มีพระภาคแล้วแล้วแกววก็ทวงนะทวงคือสมนวนบาลีตรงนี้ยมันเวลาแปลตัวบาลีเองก็อ่านยากเข้าใจยากเวลาแปลเองก็เข้าใจยากนะฮะคือมันคงจะเป็นภาษาบาลียุคแรก สัมมวนที่เกบอกเนี่ยคือแกเท้าความตั้งแต่นวนมือสี่สิบห้าปีที่แล้ว่ะนะเท้าความเรียกว่าจําแม่น่จํารับสั่งของพุทธเจ้าไว้แม่นมาท่วงทวงก็ย้อนย้อนข้อความที่พุทธเจ้ารับสั่งแกท่านไว้ว่าก็ พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัดนี้ไว้ว่า ดูก่อนมารผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจากอย่างเป็นผู้ไม่ฉลาดไม่รับการแนะนำไม่ถึงความแคล้วกล่ายังไม่ถึงความกเกษมจากโยคะยังไม่เป็นผูสศูตไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่ประพฤตามธรร ม, รรมไม่เรียนอาจรรยวาทของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทาง่าย แสดงธรรมมีปฏิหารย่ำยีด้วยดีซึ่งประละประวาดที่เกิดขึ้นแล้วโดยธรรมไม่ได้เพียงใดเราจกไม่ไปนิพพานเพียงนั้นนี่คือคือประเด็นหลักแต่ว่าเวลารับสั่งเนี่ยหมายความว่าก็ก็ความอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้ภิกษุคราวหนึ่งภิกษุณีคราวหนึ่งอุปสมบทคราวหนึ่งอุบาสิกาคราวหนึ่งนี้เรามองว่า วัตถุประสงค์หรือเจตนารมของพระพุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธมีนะฮะต้องการให้ชาวพุทธมีต้องการให้มีอะไรก็ลำดับครั้งแรกก็คือให้เป็นผู้ฉลาดพระศาสนาพุทธเป็นศาสนาของปัญญาสาวกพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นผู้ฉลาด ผลตาตับใดยังไม่ฉลาดเนี่ยทุกสิษยังโง่อยู่ในศา ส, สดาไม่ได้ผ่านต้องสอนใน่านโง่ส ก, ก่อนอันนี้คือประเด็นนะฮะจะประเด็นว่าตรงนี้คือคื อ, คอเจตนารม์คือวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลาก ร, กรคุณภาพขึ้นในพระพุทธศาสนาคือเวลาเนี้ยเราก็ประลบอะไรกันเยอะวิตกกังวลกันว่า ถ้าเราอยู่ในสภาพานี้ไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกระแสโลกาภิวัตรหรือเป็นผู้นำทางจิตใจของสังคมได้โอกาสที่ตัวเลขพุทธศาสนิกชนกจะลดมันจะลดไปโดยสภาพสภาพแวดล้อมนะ พาไปล้อมต่างๆสื่อต่างๆที่คนเหล่า น, นั้นได้รับนั้นอย่างเราประรบถึงหนังสือพลังแห่งชีวิตก็มีคนก็ประรบเพื่อเรื่องมาพูดเรื่อยนะฮะมาพูดบ่อยแตะมาอย่างนึกว่าถ้าคนอ่านหนังสือทั้งหมดอะสองสามชิ้นสี่ชิ้ น, น่ะทั้งหมดมาก็เอามาอ่านแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรอนะ ไม่มีไม่มีอะไรเด่นแล้วก็ที่จริงถ้าเราจะตั้งคําถามนะถ้าคุยกันนะฮะเอาหนังสือนี้มามาพิปรายแล้วเราตั้งคําถามไม่ตอบหมายว่าก็ตอบไม่ได้นัจากอ้างเลยเฉยๆทีนี้ถ้าคนไปอ่านแล้วไปเข้ารีดเนี่ยเปลี่ยนทิ้งศาสนาพูธไปนับถือศา ส, สนาคริสต์นิกายนั้นนิกายอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่โปรเตสแตนต์นะฮนะเป็นจิงนิกาย อ น, นี่กายเขาเยอะแต่สิ่งที่เราต้องมองเนี่ยมันไม่ใช่มองไม่ใช่มองไปโทษเขานะคือการเผยแผนะ่เป็นหน้าที่ของเขาแต่ว่าต้องโทษเราว่าทาไมไม่สอนลูกหลานให้มีภูมิทัานทางจิตให้ไม่ง้จนขนาดว่าไปเชื่อเรื่องขนาดนี้ได้และในขณะเดียวกันเราก็ต้องชมเขานะฮะ พอลงทุนไม่เท่าไหร่เนยมันซื้ อ, อบิน ญ, ญาณของคนจนเปลี่ยนศาสนาได้เนี่ยประราการที่หกตรงแสดงความเห็นไว้เลยว่าคนที่เปลี่ยนสัญชาติเนี่ยยังน่าคบกว่าคนที่เปลี่ยนศาสนาคนที่เปลี่ยนศ า, ศาสนาเนี่ยแสดงว่า ค, บ, คบยา ก, ก น, นะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนของเราซึ่งเราจะต้องคิด ต้องคิดว่าเราจะพัฒนาบุคลากรยังไงคือหนึ่งคือให้ตลาดแล้วก็ถ้ายังไม่รับการแนะนำต้องมีการแนะนำเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้รับการแนะนำเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ไดขานต้องพิสูจน์การแนะนำแนะนำเพื่ออะไรเพื่อมห้ตลาด เพราะฉะหลาดก็เป็นเป้าพระพุทธทนนี่แปลว่ารู้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานารู้นี่ทำให้ตื่นทำให้เบิกบานเพราะความหมายคำเดียวก็คือพุทธก็ ค, คือรู้เราเป็นผู้รู้ถ้ายังไม่ได้รับการแนะนำสั่งสอนเพราะระ บ, บบการแนะนำสั่งสอนนี่เป็นเนื้อหาสาระของความเป็นศาสนา มันก็ในไปที่โรงพยาบาคุณหมอก็ประรกคคุยจะบอกเวลาเนี้ยมันมันมั น, มนเราเป็นเน้นที่เรื่องสัมมาศักเนี่ยพระไปวุ่นอยู่กับสัมมาสักมันนานเกิดเหตุเกินผลนะแล้วก็คุณหมอก็เสนอว่ามันน่าจะเลิกโอ้เธอเลิกได้ดีเลิกได้แล้วก็ดีเพราะจะเอาพระมาเข้าสู่วิถีของเนี้ย ลักษณะที่พระเจ้าทรงว่าว่าไว้นี่นะคคือต้องฉลาดต้องรับการแนะนําถ้ายังไม่ฉลาดตอนรับการแนะนําจนอะไรไม่ถึงความกระหายคือหมายความมาถ้ายังลูกศิษย์ยังยังกลัวแล้วก็ศาปสานนี้ผ่านไปลูกศิษย์ยังกลัวอยู่เลยเวลนี้เราจะเห็นว่าเรากลัวอะไรเยอะมาก กลัวคนกลุ่มน้อยกลัวอะไรตะไรสารพัดเขาทำอะไรเราได้ตีโครมโครงได้ไปพูดไม่ได้นี่ก็แสดงว่าเรายังมีความกลัวแล้วก็ยังไม่ถึงความกเกษมจากโยคะนี้เรื่องใหญ่เป้าใหญ่นะเป้าเป้าหมายสูงสุดเพราะโยคะนี้มันคนจ ะ, ะเกษมได้เนี่ยระดับพระอาหารหันนะ แต่หมายความบนเส้นทางชีวิตของพุทธบริษัทเนี่ยโยคะทั้งหลายนี่ต้องยางต้องคลายต้องบรรเทาไปโยคะเป็นชื่อของกิเลส น, นะเป็นชื่อของกิเลสสี่ข้อในวันก่อนในพู้ตึงโอค้าโอค้ากับโยคะเนี่ยอันเดียวกันนะโอค้าบ้างโยคะบ้างยันทะบ้างอาสวะบ้าง ก็แล้วแต่จะเรียกถ้าเรียกว่าโยคะแปลว่าประกอบหรือขังไวหมายความขังสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์คือสัตว์ก็ต้องหมุนวนเวียนไว้ตายเกิดอย่างเงี้ยเพราะมันถูกขังไว้ไในใจยังมีกิเลสอยู่ถ้าโอค้าก็หมายความมันก็ตกไปในห่วงน้ำเปรียบกิเลสชุดเดียวกันนี่แหละ เปรียบเป็นปรงขังบ้างเปรียบเป็นกระแสน้าบ้างเปรียบเปียบเป็นเชือกมัดบ้างเปรียบเปียบเป็นเชือกเครื่องหมักดองบ้างก็แล้วแต่จะเรียกให้เราสังเกตว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวการมราคะโลภะ ร, ราคะนี่ต้องลดอย่างเบาๆไม่ไม่เป็นอะไรก็อย่าไปละเมิดคู่ครองคนอื่นอย่าไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น อย่าไปหลอกลวงต้มตุ๋นคนอื่นโดยแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะต่ า, างๆเอาตัวนี้ก็สอบตกกันได้ครับเพ ร, ะราะอะไรเพราะพฤติกรรมต่างๆอย่างนี้มันมีปัญหาปัญหาเยอะวันก่อนนี้ได้รับนิมนต์ได้ไปร่วมสมัมม น, นาอะไรที่เขาจะทำเกี่ยวกับกฎหมายสองสามเรื่องก็เลยก็ดูแล้วมัน ก็บอกว่าไปถึงจะต้องแสดงบัตรจะต้องแสดงบัตรประชาชนเอ๊ะเขานี้มนเราไปเนี่ยแล้วทําไมจะต้องไปแสดงบัตรกับเด็กๆ เ, เลยไม่ไปเลยคือมันอะไรอะ่ะความคิดนี่มันมันช่วยๆอ่านะคือเขาหนิมนเราไปแล้วไปถึงให้เราแสดงบัตรก็แสดงที่เขาหนี้มนก็หมายความเขารู้จัก แล้วทำไมต้องแสดงบัตรเเมื่อก่อนตั้งใจงจะไปนะฮะก็กกกรับหนังสือก็แล้วก็แจ้งไปพอไปเห็นบัตรอย่างนั้นเลยไม่ไปร่มีความรู้สึกว่าบางทีนี่มันก้ากายนะมันเก้ากายแล้วก็ไม่ให้เกียดกันที่เอาเด็กเล็กๆเนี่ยมาตรวจบัตรับ อย่างการบินไทยเหมือนกันโอเด็กเล็กๆ เ, เด็กผู้หญิงมาตรวจบัตรพระคือความคิดนี่มันมันทํำยังไงความคิดเป็นเรื่องแปลกอะ่ะเดีวอธิบายไม่ได้ถามว่าตรวจทําไมอธิบายไม่ได้ไม่มีเหตุผลอะไรคือยุคสมัยบางยุคที่มันได้แต่ว่าคือมันต้องดูดูงๆตรบ้างไงนะแหมพระเนี่ย เป็นอะไรอะ่ะเราจะต้องตรวจบัตรเกบัตรบัตรที่เขาเชิญมาเราก็ต้องส่งให้เขาแต่ว่าถึงจะตรวจหนังสือสุชิอะไร่ะบัตรแค่แค่บัต ร, ตรประชาชนเนี่ยบอกว่มไม่ไหวแล้วไม่ไปดีกว่านี่คืออะไรคือเราเป็นข้อเป็นการกระทําที่ขาดความฉลาดมันเชื่อมโยงว่าการที่เขาเชิญเรามาหมายความเขารู้จักเรา แล้วทำไมพอเราไปตองตรวจอ่ะวิธีดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปนี่ก็ออกมานอกเรื่องกัคก็ตั้งโสัชเกตตั้งโสัชเกตให้ดูว่าแปลกๆท่านฟังทั่งหนายเสียงธรรมจากมหาตรไรัยีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองงามพัยบุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทัหายโดยทั่วกันสวัสดี